ก็ต้องนำเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติมาสร้างความเพียรมาเจริญสติเดินจงกรมจนส้นเท้าแตกบางที่ปปฏิบัติตั้งแต่ัวบ่้ายันสว่างเนเกือบจะสว่างจึงจะบรรลุธรรมก็มีบางรูปบางองค์ก็มีความเพียรมากนิวรณเข้าครอบงำนั่งหลับสับประงกทนี่ก็มีมากก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลไห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 ต้องสัมผัสรู้ที่เป็นของจริงกว่าเราสังเกตดูได้เลยว่ามันไม่จริงอย่างไรความคิดแต่ความรู้สึก oui, นี่มันจริงอย่างไรถ้านู้ฟังเคยถูกฉีดยาไหมถูกฉีดยาเนี่ยมันรู้สึกนะเราคิดว่าเจ็บหรือเรารู้สึกว่าเจ็บมันต่างกันนะคิดว่าเจ็บเนี่ยอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเจ็บอย่างหนึง่งพอเรารู้ว่าเราต้องถูกฉีดยาเนี่ยเราคิดละมันจะคิดว่าเจ็บอย่างนั้นเจ็บอย่างนี้น